มาจากไหนกันบ้างเลยมาครั้งแรกเลยใช่ค่ะจากที่นี่ได้ไง เมายอะไรสำหรับการมาที่นี่ยังราศงพ่อละอ๋อยงประกาศแา้วกันเนี่ยปรการาศเพียงเดียวมาฟังเทสด้วยฟังเทสุดเลยเทสก็มีหลายแบบเทสแบบแสดงกับเทสแบบสนทนาวันนี้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 รู้ละ ก, ก็มีหลายหลายแบบด้วยกันแบ บ, เ ร, บเรียบง่ายๆก็ทำบุญทำทานรักษาศีลไปาแบบรู้ลาก็ต้องนั่งสมาธิเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ออกไปยุ่งกับใคร นึ่งใจเข้าข้างในให้ใจสงบใจสงบแล้วก็จะได้สิ่งที่รู้ราผลที่เกิดจากการทาใจให้สงบนี่เป็นของรูรามากเป็นของวิเศษพิสดารเป็นของไม่ธรรมดาแต่ถ้าทาบุญทําทานรักษาศีลก็จะได้แบบธรรมดา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 ถ้าทำบุญรักษาศีนก็จะได้ความเย็ยนทำให้ใจเย็ยนสบายมีความสุขปัญหาไม่ค่อยมีปัญหาอยู่ที่การไปทำบาปทำผิดกฎหมายหรือทำอะไรที่เกินตัวทำอะไรเกินตัวก็ทำให้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 ถ้าหาโดยวิธีที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ต้องทำบาป ก, ก็หาได้ยากหาได้ช้าใจก็จะไม่มีความสุขกัแบบของต่างๆที่ได้ซื้อมาของต่างๆนี้หน้าทิปเป้าหมายของเขาก็คือให้เรามีความสุขแต่ครับทาให้เรามีความทุกข์กับมันไป พะเราไม่สามารถที่จะรักษาเขาเอาไว้ได้เวลาต้องคืนเขาไปก็เสียใจเวลาเขายึดลถไปยึดบ้านไปยึดของที่เราซื้อมาเพราะเราจ่ายไม่ครบจ่ายไม่หมดอันนี้ก็เป็นการสร้างปัญหาสร้างความทุกข์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 ของที่เราคิดว่าซื้อมาแล้วจะให้ความสุขกับเรากลับกลายเป็นของที่ทำให้เราต้องมีความทุกข์เพราะเราไม่รู้จักความความประมาณว่าเป็นยังไงความประมาณก็คือความพอดีพอดีทั้งกับความต้องการของเราและพอดีกับความสามารถของเรา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 ของเราที่จะหามาเราก็ต้องรู้กำลังของเราว่าเราจะหามาได้มากน้อยเพียงไรและแบบไหนเพราะอาหารนี่ก็มีหลายราคาเสื้อผ้านี่ก็มีหลายราคาที่อยู่อาศัยก็มีหลายราคาวิธีรักษาโาครคภัยไข้เจ็บก็มีหลายราคา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 มีสัมปองไว้บ้างก็การหารายได้นี้มันอาจจะไม่สม่ำเสมอไม่ขัไม่ต่อเนื่องก็ได้เดี๋ยวมันขาดตอนขึ้นมาตกงานขึ้นมาถ้าเราไม่มีอะไรสัมปองไว้เราก็จะเดือดร้อนแล้วเราก็ต้องถือว่าเงินสัมปองนี้เป็นเหมือนกับของที่เราต้องซื้อมาของจําเป็น อนอกจากที่ต้องมีปัจจัยสี่แล้วเราก็ยังต้องมีเงินสำรองไว้เผื่อไว้ในวันข้างหน้าเกิดเราไม่สบายหรือเราตกงานเราก็จะได้มีเงินสำรองนี่มาใช้ใจ่ายกับสิ่งที่จำเป็นงันการซื้อของที่เราจำเป็นเราก็ต้องดูว่าควรจะมีมากควรจะมีน้อยมีมากเกินไปมันก็ไม่ ได้เกิดประโยชน์อะไรมากมากเกินที่เราต้องการถ้าเราซื้อก็ต้องซื้อพอพอที่เราต้องการจะใช้ใชเก็บเงินไว้สัมลองไว้สำหรับซื้อวันข้างหน้าเวลาที่เราไม่มีไรายได้เราก็เอาเงินสัมองนี้มาไม่ใช่ว่าได้มาเท่าไหร่ก็ใช้มันหมดไปเท่านั้น อาหมดแล้วเวลามันไม่มีจะทำยังไง น, นี่คือวิธีอยู่แบบชาวพุทธต้องอยู่ด้วยเหตุด้วยผลอย่าอยู่ด้วยความอยากอยู่ด้ใช้ใจ่ายแบบมีเหตุมีผลใช้พอประมาณเก็บไว้สำหรับสำรองไว้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 พอใช้แล้วไม่ขาดแคนแล้วแต่ยังซื้อใหม่อยู่เรื่อยๆอย่างนี้ก็เรียกว่าพุ้มเฟืยเอาเงินไปทิ้งเปล่าๆเพราะเวลาเงินขาดมือเสื้อผ้าเหล่านี้มันขายไม่ได้ขายได้ก็ไม่กี่ตังค์เก็บเงินไว้ดีกว่าใช้เสื้อผ้าที่เรามีอยู่เนี่ยจนกว่ามันจะขาด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 ความสุขทางตาหูจมู ก, กนิ้วกายพวกมอหรลสบบันเทิงการท่องเที่ยวต่างๆพวกนี้จะใช้เงินมากจะทําให้เราไม่พอใช้อย่างไม่พอใช้ได้อย่าไปหาความสุขแบบนี้มาหาความสุขแบบไม่ต้องใช้เงินดีกว่านั่งมาฟังเทศฟังธรรมนั่ง สมาธิทำใจให้สงบรักษาศีลอันนี้จะมีความสุขมากกว่าที่เราจะได้จากการไปเที่ยวไปใช้เงินใช้ทองเพราะว่าใช้น้วมันก็หมดและเหลือมันก็ไม่พอใช้แต่ความอยากเที่ยวอยากดูอยากฟังอะไรต่างๆ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 ถ้าเรามีความสุขโดยไม่ต้องใช้เงินทองเราก็สบายไม่ต้องวิตกกังวลกับเรื่องรายได้รายจ่ายนี่คือวิธีที่เรียกว่าบุญที่ด ก, การพูดเรื่องเหล่านี้เป็นบุญทังนั้นเพราะว่าจะทำให้ใจเราเย็นทำให้ใจเราสบาย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 ต้องมาทำแบบที่พระเจ้าทรงสอนให้ทำอ่านหนังสือธรรมะศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้รู้วิธีทำใจให้เย็นทำใจให้มีความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้เงินทองเงินทองนี้ใช้สาหรับร่างกายร่างกายนี้หนีไม่พ้นเรื่องเงินทองต้องหาเงินทองมาซื้ออาหาร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 ถ้าอยู่แบบแพงมันก็ต้องใช้เงินมากต้องหาเงินมากยิ่งต้องหามากก็ต้องเหนื่อยมากหาน้อยก็ไม่ไม่ต้องเหนื่อยมากเหนื่อยน้อยเห็นพ mm hmm. ระพุทธเจ้าถึงสอนบอกว่าให้ใช้ของถูกๆต้องว่าถูกๆ ก, ก, ก็มากน้อยโดยตาสันโดษก็คือตามตามมีตามเกิด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 บางทีนอนไม่หลับนอนบ้านราคาแพงเพราะกังวลกับเรื่องจ่ายค่าเช่าหรือจ่ายค่าผอ่อนเดี๋ยวนี้จะไปหาเงินมาผ่อนค่าบ้านตรงไหนดีก็ะจะนอนไม่หลับนะแต่ถ้านอนอตามโคนไม้นี่ไม่ต้องเสียค่าเช่าไม่ต้องเสียค่าผ่อนบ้านหลับหัวถึงนอนก็หลับเลย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 อาหารมันก็มาจากที่เดียวกันอาหารก็มาจากตลาดเดียวกันเนี่ยแม่ค้าขายส้มตัำขายข้างถนนก็ไปซื้อที่ตลาดโรงแรมก็ไปขายที่โรงแรมก็ก็ไปซื้อที่ตลาดเหมือนกันแต่พอไปขายแต่ละที่ราคามันต่างกันเป็นฟ้ากับดินส้มตงำแม่ค้าข้างถนนก็ไม่กี่บาทพอไปกินในโรงแรมกับเป็นราคาไม่รู้กี่ร้อยบาทขึ้นมาะ กินแล้วมันต่างกันอยตรงไหนมันอิ่มอิ่มคนละชนิดนะอิ่แบบแพงกับอินแบบถูกนี่มันอินเหมือนกันหรือเปล่าใช่ไหมดังนั้นอย่าหลงกับความสุขทางร่างกายมันเท่ากันใส่เสื้อผ้าชุดละแสนกับใส่เชือผ้าชุดละร้อยมันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันปกปิดรักษาร่างกาย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 แต่ไม่ว่าแพงหรือถูกมันก็ทาหน้าที่เหมือนกันอย่างที่บอกส้มตำข้างถนนกับส้มตำในโรงแรนี้มันก็ส้มตำเหมือนกันแต่ทำไมราคามันไม่เหมือนกันทำไมส้มตาในโรงแรมราคาเป็นร้อยส้มตำข้างถนนราคาเป็นสิบมันก็ส้มตำเหมือนกันกินแล้วมันก็อิ่มเหมือนกัน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 แต่ตอนนั้นเจอพวกคนยากจนเขาใส่ขาดกลายเป็นแฟชั่นขึ้นมาต้องซื้อเกงขาดมาใส่กันแล้วทำไมที่เราใส่เราปะอางเกงนี่เราปะก้นปะขาปะเข่ามีแต่คนดา่าคนว่าทำไมใส่เกงอย่างนี้ก็เราพอใจของเราอย่างนี้เสียเงนินค่าปะไม่กี่ตังค์ดีกว่าไปซื้อของใหม่ตัวหนึ่งหน้หลายสตางค์ แล้วเวลาซื้อกางเกงใหม่ก็ไม่ไปซื้อที่ร้านไปซื้อที่เขาโยนทิ้งแล้วที่เขาขายที่มีตำหนิอแทนที่จะซื้อราคาร้อยหนึ่งหรือแค่สิบบาทกางเกงที่มีตำหนิเสื้อผ้าที่มีตำหนิที่เข า, เาไปขายตามร้านไม่ได้อเขาก็ไปขายตามร้านที่ขายของถูกของใช้แล้ว่เี้ไปซื้อของพวกนี้มันก็เหมือนกันแหละ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 ใช้ซื้อของใหมน่นี้พอมันมีพอมันเสียหน่อยมีตำหนิหน่อยนี่โอ้โหปวดเล้าไปถึงหัวใจซื้อของเก่านี่มันมีตำหนิแล้วเฉยเฉยมันยังไม่ีตำหนิเพิ่มอีกก็เหม็นเดืองร้อนอะไรมันก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนกันเราชอบใช้ซื้อของกกเก่กาๆใช้กางเกงเก่ากางเกงมีตำหนิเสื้อผ้ามีตำหนิ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 เสียต้นนั้นต้องเสียดอกเองนะงั้นอย่าไปกู้นี่ยิงสินยอมใช้ของเก่าไปดีกว่าย้อมอดมากอดเมือ่อกินเมือ่อแล้วเดี๋ยวถึงเวลามันก็มีค่อยค่อ ย, ค, อยค่อยกินตามปกติไปข้อสำคัญอยากขี้เกียจก็แล้วกันต้องมีความพยายัมต้องอดทนต้องต่อสู้ ต่อสู้กับดิเลตของเราเนี่แหละดิเลตที่ชอบของแพงๆของหรูหราแต่ตัวเองไม่มีเงินที่จะซื้อก็อาจจะไปทรอาชีพที่ไม่สุจริตเพราะรรทำอาชีพไม่สุจริตนี่มันหาเงินง่ายอย่างเนี่ยผู้หญิงที่ไปหาเงินแถวพัทยาเนี่ยกับผู้หญิงที่ไปรับใช้คนที่บ้านเนี่ย คนที่ไปทำงานรับใช้ที่บ้านกันแล้วเงินเดือนก็ไม่เกียรติต่างถ้าไปหาแถวพัทยานี่มันก็ได้หลายสิบเท่าคนที่อยากจะได้เงินเยอะๆเงินง่ายๆเงินเร็วๆก็ยอมทำผิดศีลเนี่ยคนที่เขามีความอดทนก็มีความขยันเขาไม่ยอมที่จะไปทาผิดศีล เราก็ยอมไปทำงานรับใช้รับจ้างเงินเดือนวันละสามร้อยเอาไปทำแถวพัทยาวันละสามพันนี่สามพันผลมันต่างกันทางจิตใจต่างกันจิตใจของคนที่รักษาสีงได้นี่เขาไม่ไปอบาย คนที่รักษาศีลไม่ได้นี่ตายไปแล้วต้องไปเป็นอบายเดี๋ยวก็ไปเกิดเป็นสุนักเดือนเก้าเอันนะ่นนต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายอย่าให้มันเกินกำลังแล้วเดี๋ยวมันจะทำให้เราต้องไปเลือกระหว่างการรักษาศีลหรือไม่รักษาศีลดี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 แต่จใจจะไม่เดือดร้อนแล้วความอความอดยาขาดแค่นทางร่างกายนี้มันไม่ร้ายแรงเหมือนกับความเครียดทางใจนะอันนี้ก็บอกวิธีให้มีชีวิตที่มีความสุขนะว่าเราไม่ต้องมีมากหรอกมีความสุขได้แล้ว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 อยู่แบบไม่มีใครรู้จักเราสบายไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องคอยทักทายคนนั้นทักทายคนนี้นะสรุปก็คือพยายามอยู่แบบนั้น้ อ, นอยสันด้ว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 นี่แหละความสุขที่แท้จริงต้องดูแบบวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงดาเนินนี่แหละเป็นวิธีที่ถูกต้องวิธีของพวกเรานี่เป็นวิธีหาความทุกข์กันทุกตั้งแต่หาทุกแล้วพอหามาได้แล้วก็ทุกข์กับการดูแลรักษาแล้วก็มาทุกข์กับการสูญเสียทุกอยู่ตลอดเวลา เราซื้อลถมาแล้วก็ต้องกำวนวณกับเรื่องผ่อนนะเรื่องค่าประกันเรื่องค่าซ่อมแซมบุญลณะค่าน้ํามันค่าอะไรต่างๆแล้วเวลาไม่มีเงินผ่อนเขาก็ถูกเขายึดไปก็ทุกข์อกถ้าไม่มีความจําเป็นจะต้องซื้อลรก็อย่าไปซื้อมนะันอนยถ้าซื้อลรถมันต้องทําให้เรามีรายได้มาก ขึ้นไม่ใช่มีน้อยลงถ้าจำเป็นต้องซื้อรถเพื่อมาทำมาหากินทำให้เรามีรายได้มากกว่ารายจ่ายจ่ายค่ารถไปเท่านี้แต่พอมีรถแล้วเราสามารถหารายได้มากกว่าค่าที่เราจ่ายให้กับรถนี้ก็ยังพอจะคุ้มวม่า่ใช่ซื้อมาแล้วรายจ่ายก็ามากขึ้นรายได้เท่าเดิมแล้วน้อยลงไปอย่างนี้มันก็ขาดทุน อันนี้เราต้องปรับเปลี่ยนวิธีเดินทางของเราแนละ้วต้องใช้รถสาธารณะนะใช้เดินบ้างก็ไดนะ้ขี่จักรยานบ้างก็ได้ยุคนี้ขี่จักรยานเริ่มฮิตแล้วนี่ใช้ขี่จักรยานแทนก็ได้อชีวิตของเราเนี่ยเราเป็นคนสร้างมันเองสร้างให้มันทุกข์ก็ได้สร้างให้มันสุขก็ได้ อยู่อย่างสบายก็ได้อยู่แบบวุ่นวายก็ได้อยู่ที่ว่าเราอยากได้มากหรืออยากได้น้อยนี่ยถ้าอยากมากมันก็จะวุ่นวายมากถ้าอยากน้อยมันก็วุ่นวายน้อยถ้าไม่อยากเลยก็ไม่วุ่นวายเล ย, ยตัวที่จะวัดความสุขความทุกข์ของเราไม่ได้อยู่ที่มีมากมีน้อย แต่อยู่ที่อยากมากหรืออยากน้อยหรือไม่อยากเลยถ้าไม่อยากเลยก็มาบวชนได้สบายไม่ต้องไม่อยากได้อะไรนะไม่อยากได้ลาบยศสลรเสริญไม่อยากได้แฟนไม่อยากได้อะไรอยู่คนเดียวสบายอย่างนี้สบายไม่มีเรื่องราวไม่มีความวุ่นวายใจถ้าอยากมากก็ต้องดิ้นตนมากต้องหามากต้องเหนื่อยมาก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 ถ้าจะตายก็ถือว่าหมดเวรหมดกรรมก็ได้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายเหมือนกันได้มามากได้มาน้อยเดี๋ยวถึงเวลาก็ตายเหมือนกันถ้าคิดอย่างนี้แล้วใจจะสบายใจจะอยู่กับความทุกข์ยากลำบากความขาดแคลนได้อย่างไม่เดือดร้อนใจอาจจะไปอย่างสบายอยู่ก็สบายใจสบายร่างกายอาจจะไม่สบาย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 เราไม่ฟุ้งเฟยเราไม่ทะเยอทะยานกันเราพอเรามักน้อยสันโดษยินดีตามมีตามเกิดเรามีขันติความอดทนเรามีความอดกลั้นรับลองว่าอยู่ยังมีความสุขอยู่แบบขอทานนี่ม่สุขกว่าอยู่แบบเศรษฐีพระพุทธเจ้าเคยเป็นเศรษฐีมาแล้วแต่ท่านกลับเลือกมาอยู่แบบขอทานใช่ไ อยู่แบบขอท า, านนี่และอยู่อยางมีความสุขอยู่อย่างเศรษฐีนี่อยู่แบบเครียดเครียดกับการหาเงินมาใช้เชื่อพระพุทธเจ้าหัดอยู่แบบขอท า, านดีกว่าอยู่แบบคนยากจนเสื้อผ้าเก่าก็ปะมันก็ได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่ทำไมยุคนี้เขาไม่มีใครว่ากันแล้วเรื่องปะเสื้อผ้ากลายเป็นของฮิตละ แต่ยังต้องใช้เพชรเงินจินดาก็ซื้อของปลอมมาใส่ก็ได้ไม่มีใครรู้หรอแต่มาเนี่ของจริงของปลอมมันดูไม่ออกอ น, นะานาฬกานาฬกาจริงนาฬกาปลอมมันก็ไม่มีใครดูออกแต่ยังต้องเข้าสังคมก็เอาของปลอมใส่ไปก็ได้เดี๋รนุ่ ง, งทุกอย่างมันปลอมหมดนะใช้ของปลอมกันทั้งนั้นนะ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 โกงทำอมหากินก็โกงกันหรือเอารัดเอาเปรียบ ก, กันนั่นก็สรุปอยู่ที่การมีความประหยัดมีความมาักน้อยสันโดษมีความรู้จักประมาณในการกินการอยู่รู้จักกำลังของเรา แล้รู้จักวิธีหาความสุขที่แท้จริงวิธีหาความสุขที่แท้จริงก็หาความสงบของใจด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิด้วยการฟังเทศฟังธรรมทาทําเรื่องราวเหล่านี้ไปแล้วใจจะมีความสุขไม่ต้องไปเครียดกับการหาเงินหาความสุข พราะว่าได้ทั้งความสุขได้ได้ทั้งความเครียดด้วยเพราอมาบวกลบคูณหารแล้วความเครียดมากกว่าความสุขที่ได้ขาดทุนสูหาความสุขแบบไม่มีความเครียดดีกว่า <c oughs> นัางสมาธิไม่เสียเงินรักษาศีลไม่เสียเงินอยู่บ้านก็ทําได้บางเทศบางธรรมก็ทําได้อยู่ที่บ้านขอให้มีห้องของเรา มีที่สงบไม่มีใครมารบกวนเราเราก็นั่งสมาธิไปฟังเทศน์ฟังธรรมไปทำใจให้สงบแล้วก็จะมีความสุขนี่ก็คือเรื่องธรรมะที่งัดออกมาให้ฝยญาติโยมฟังกันถ้ามีอะไรอยากจะถามก็ถามต่อได้ กลยอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่ถามเดี๋ยวจะให้พร<อ>ยะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารัง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 มาเตภวัตวันตารายสุขีทีขายยโภพะอภิวาทนสิลิษะนิจังุทธาปจายนโนจตารธรรมวาทานติอายุวันุสุขังทาลัาง เ, าาเท่าไหรนะ่แล้วตอนนี้แล้วสมาอีเจ็ดค่ะยูยทูบก็ประมาณห้าสิบห้าได้ครับอยู่ตั ว, 300 ว, ว <c oughs> แล้วนะสามร้อยกว่าห้าสิบกว่าแล้วเลิกเลยเรยดิโอนี่มีมียอดดูว่าแบบไม่มีมีครับอาจารย์แต่ช่วงแรกช่วงแร ก, ช, แรกช่วงแรกมันเบานะามนไม่ได้มียอดครับ วันนี้ประมาณไม่กี่ท่านครับเจ็ดหกเจ็ดท่านแนล้บ <7. S 1> แต่สิบกว่าท่านคนะถ้าแอปพลิเคชันเสร็จน่าจะเยอะกว่า น, นี้ครับกฟังง่ายเปิดปุ๊บฟังได้เลยก็มีสามทางว่าเดี๋ยวนี้ติดตามถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook ทา YouTube แล้วก็ทางเว็บดัมมะดอทอเป็นเสียงธรรมเสียงวิทยุอยนี้ก็ไปได้ทั่วโลก ตอนนี้คนอยู่ต่างประเทศก็ติดตามอยู่บางคนบอกตอนนี้อยู่ที่อังกฤษแปดโมงเช้ากำลังฟังอยู่แปดโมงเช้าสวัสดีอังกฤษสวัสดีตอนเช้าคุนิ <c oughs> ต้องให้เขาส่งข้อความประเภทว่า ควาขึ้นหน้าในการปฏิบัติความก้าวหน้าในการปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างก็จะดีครับเพราะมีแต่ตาทุกตาทุกเลยเวลาตาลุกก็บอกมาจากที่ไหนฟรางอยู่ที่ไหนออภาพเสียงเป็นยังไงบ้างทีมงานจะได้รู้ผลแต่บางทีมันอยู่ที่ปลายทางบางทีต้นทางดีแต่ปลายทางไม่ดีเพราะบางคนก็บอกว่าชัดดีบางคนก็ว่าไม่ชัดเลยนี่มันก็ต้องเป็นเพราะที่ปลายทางมัน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 ทีมงานจะได้อ่านแล้วจะได้ออได้ข้อมูลมามีใครอยากจะถามอะไรไหมเอาไงคุณศรีสุราน ะ, ะยอมกำลังทำสมาธิต่อไออปก็สงบ ความแผนไว้มาจัจ้งแต่ีซถ้ารหมดทว่าทําวันละสามครั้งครั้งหนงประมาณมากสุดไม่ใม่ไสองชั่วโมงอแลนแล้วก็ววจะได้ตั้งหชั่วโมงประมาณใช่ไหมแล้วก็พยายามจะไม่บอกเพือเอพ่อนผู พยาจะลากตัวไปครุงเท่ไปหรือว่าเมืวาเนี้ยเมื่อวานนี้เขามีประชุมใหญ่ซีอยู่ศูนแปดเขาบอกว่าัปยายได้เพราะถ้าเราไปนะฮะเราองเสียสามวันสามโอ้โหสา 6, 6, 3, มสิบแปดชั่วโมงอ่ะเยอะนะเมื่อเราก็ต้องทำกันบ้านไม่เอยอะๆต้องบ่งบินเนอยอะ ก็ทําได้ดีแล้วค่ะมันก็พอสงบก็พยายามเอาเวลามาทําภามสงบให้มากขึ้นไปเรื่อยตัดกิจกรรมที่ทําให้วุ่นใจวุ่นวายเสียเวลาพยปัญหาหมดแล้วมันก็มีเรื่องอะไรเอาเวลามาทําใจให้สงบให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วต่อไปเราจะมีความชํานาญ ้เราไม่จะไม่ต้องใช้เงินใช้ทองใช้ร่างกายในการหาความสุขออกไปร่างกายแก่ไปไหนมาไหนไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนเจ็บไายได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อน ม, มีที่มีมีมีมีมีการหาความสุขในช่องทางใหม่ช่องทางที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้เพื่อนฝูงอนนี้คนส่วนใหญ่นี่ อาศัยเพื่อนฝูงอาศัยเงินทองอาศัยร่างกายเป็นช่องทางในการหาความสุขกันแต่ของพวกนี้มันไม่เที่ยมมันไม่ถาวรมันจะต้องมีวันหมดไปเนี่ยเราเปลี่ยนช่องทางหาความสุขใหม่กันจาหมดไปหมดไปแต่ใจไม่หมดใจเรายังหาความสุขได้เราไม่ต้องอยากมีเพื่อน อยู่คนเดียวได้สบายมากไม่อยากให้ใครมารบกวนอ อ, อ, อวิธีของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็อยู่คนเดียวถึงแม้ว่าตัดทะลุแล้วก็ไม่ได้กลับไปหาครอบครัวกลับไปดึงครอบครัวมาให้มาอยู่คนเดียวกันดึงลูกมาบวชนะแม่ก็มาขอบวชตามแม่เลี้ยงก็ขอบวชตามเพราะมันเป็นวิธีหาความสุขที่ถูกต้องที่เป็นความสุขที่แท้จริง เข้ามาได้ถ้ามีข้าวของอะไรจะถวายก็เข้ามาได้การสมาธพยายามจะฝึกค่ะฝึกแล้วมันจะความคิดมันมจะปุ้ยก็ต้องหยุดความคิดก่อนมานั่งนะต้องฝึกอย่าไปอย่าปล่อยให้มันคิดด้วยไปยให้ใช้พุทโธหนึ่เอาไว้เต้งขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไป อย่าคุยกับตัวเองคุยกับพุโทโธเลยเปล่าพุโทโธพุโทโธไปแล้วต่อไปความคิดมันก็จะอ่อนอ่อนกําลังลงมันก็จะไม่หมกติดเวลานั่งมันก็จะอยู่กับอารมณ์เดียวได้อยู่กับพุโทโธได้อยู่กับลมหายใจได้แล้วถ้เราแน่นอยู่แล้วหลับลุกขึ้นมาเดินถ้วหลับ ก, ก็ลุกขึ้นมาเดินหรืถ้า อ้ายังหลับอยู่ก็ต้องเปลี่ยนต้องกินข้าวให้น้อยหนะ่อย<ม>อยากกินข้าวเย็นต้องถือเส้นจ๋ามันถึงจช่วย<ม>กินให้น้อย<า>ค่ะวนแลับไปกันหมตรเพอใจมันสบายมันไม่มีเรื่องให้คิดมันก็เลยหลับใครต้องการถวายข้าวของก็เข้ามาได้นะ ท้ายน้องการหนังสือซีดีก็หยิดไปได้แม่กันนะรัองบัวว่าทำกองเพลงนรของนางเอวซ้อผ้าแดงเลยผูสังโค เอาไปนะเนีย น, นีประวัติน้องตูกา <ๆ S 2> <ๆ S 1> น่างฝึกสติให้มากมาก ไม่ใช่เฉพาะเวลานั่งต้องพยายามฝึกอยู่เรื่อยๆทำอะไรก็พุทโทรไป <im S 1> ไม่ต้องใจความคิดก็พุทโทรไปอาบน้ำก็พุทโทรไปล้างหน้าแต่งฟันแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโทรไปกินข้าวก็พุทโทรไปถ้ามีพุทโทร อ, อยู่เรื่อยๆเวลานั่งสมาธิใจจะไม่ดอยใจจะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าไม่ทำนั่งทีไรมันก็จะคิดอยู่เรื่อยๆพรามันคิดเป็นนิสัย มันติดอเ น, นสไซมันหยุดชิดไม่ได้เราต้องหยุดชิดต้องใช้พุโทโธหยุดมั น, มนคุณแมรี่มีอะไรจะถามหรือเปล่าคุณคิดออก คือคือทุกวันเนี่ยเราเราสิ่งแรกที่ตื่นขึ้นมาเราอะไรตั้ง ส, สงติสรรเสริญนหรือกราบการาบแ่ล้ถึงพ่ะคุณเข<อ>าเรีนพูดคุณธรรมประสงคนะคะแล้วก็บร<อ>ินามันพ่อแม่คมรูอาจารย์อะไรเงี้ยแต่แต่รูทีนถ้าจะภาวนาวันนี้ ม, มากกว่าสองครั้ง Do you have to do it every single time, or can I just do it once in the morning and once um, before I go to bed? Oh, think all day long. Think. I want to think. w น e n I think, I think. The k ่ n s h i p of father, mother, father. That i อ when. When you are p r a c t i c ไ n g it is not related. น r a c t i น e is p r a c t i e You c n think about h e k i s h o o p l can think all the time. When you are h e o u t i n I want to think about i t n ไม่ต้องมาตั้งถ้าว่าต้องมีวนั่งสมาธิก่อนเดี๋ยวจะคิดถึงบุญคุณเขาทีทท่คิดเพื่อจะได้ไม่ลืมบุญคุณจะได้มีความกรตันยูกระเตเวท<ะ>ีเราบางทีไม่ได้คิดแล้วมันลืมไปยุ่งกับเรื่องงานเรื่องการเรื่องอะไรทั้งๆ ท, ที่เราไม่มีอความคิดว่าจะไม่ตอบแทนบุญคุณแต่พอมไม่คิดมันก็เลยลื ม, ม, มก็เลยต้องคิดบ่อยๆจะได้จะได้คอยตอบแทนบุญคุณเขา แล้วแล้เห็นคนีเขาบอกว่าห้ามเอาพ้าไว้ในห้องห้องนอนทาไม่ะคือซัดเสียงอะไรเรื่องใหมค่ะเขาถามทำไมเราไม่ถามเขาทำไมห้ามห้ามผ้ะเาเลยเขาบอกว่าเพราะว่าอะไรนะเรานอนผ้าอ๋อแล้วผ้าจะมองเห็นท่านอนเราไม่ใช่แต่วมไม่รู้สึอ๋อความจริงถ้าจะเป็นผ้าให้ถ้าจะประดิษฐ์สถานพระก็ เช่นพระพุทธรูปนี้เขาก็จะมักจะมีที่จำเคราะห์ที่เป็นห้องพระหรือว่าจะมียังไงมีแต่เปิดอะไรไว้กวนในไม้รุมอะไในห้องนี้เขาถือว่าเป็นห้องส่วนตัวมีทางกิจกรรมที่พราคนที่จะรู้อันนี้มีความเชื่อตัวพระพุทธรูปเขาไม่รู้หรอกเขาก็เป็นขาก็เก็เป็นแค่วัตถุก็จะไปรู้อะไรว่าเราทําอะไรอยู่ในห้องใช่ไหม คนที่ก็มีผ้าห้อยคอยจะทำไงเอาท่อเข้าห้องนอนก็ต้องถอดอรกอเอาข้อห้องนอนไม่ได้เหรอใช่ไหมใช่เห็นแต่เขาอาจจะเห็นว่าให้พ้าไปนั่งขัดสมาแล้วดูลอนนอนนี่มันอาจจะไม่เหมาะสม ปัญหาเวลาสวดมนต์แล้นั่งสมาธิแล้วก็จะหลับไปพุกงไปจากหสืสวนนะคะแล้วทีนี้เขาก็จะมีบางคนเล่าให้เขาฟังนะผู้ที่เขาเหมือนปฏิบัตินะเขจะบอกว่าบาปนะอะไรอเอ๋อไม่บาปแบบไม่ได้บุญนั่ไม่ได้บุญคือเราก็จะกังวลว่าเฮ้ยเราทําล้ไม่บาเปล่าไม่ได้ไปฆ่าใครไม่ได้ไปลากทรัพย์ของใครเลยบาปอะไรบาปมันมีอยู่สี่ข้อเท่านั้นเอง ทำแล้วไม่ได้บุญทำแล้วไม่ได้ผลถ้านั้นเองก็เลยกังวลเละรู้สึกเราไม่อยากจะหลับแต่บางท่านสวดไปมันก็จะหลับอยู่เลยนี่เพิ่งได้ใจแล้วทันเลยทานเยอะๆแลวอย่างหนึ่งนึงธรรมะนี่มันไม่เล่าใจมันดูหนังเลยเวลาดูหนังไม่หลับเลยไม่ห่วงออกจากห้องพักมาเปิดเป๊ะก็ไม่หลับกั อันเป็นเรื่องของกิเลสอาจารย์คะขออันคื อ, อคือจำได้อาจารย์เขาบอกว่าผิดอยู่ท after noon ถ้าถือสินแปแล้วเนี่ยมันจะผิดวินัย <Okay. S 2> แล้ววินัยนี่มันต่างยังไงกับบาปอนะคะ I mean, the คือบาปมันไม่ได้ไปทำร้ายใคร mm hmm. การบาปนี่ต้องเป็นทำร้ายสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นเช่นไปท่าเขาไปลัก <Okay. S 2> ทรัพย์เขาเรียกว่าบาป <Okay. S 2> แต่การไม่ถือ การถือศีลอดนี่เป็นการกำกับใจเราควบคุมตัวเราไม่ให้ทำในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์กับเรามันขัดขวางการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นถ้ากินแล้วมันจะทำให้ง่วงนอนขี้เกียจนั่งสมาธิคื อ, ค อ, ค อ, คอไม่ให้กินหลังทว่าแต่บางทีมันต้องไปถึงหนงมอไม่เป็นไรหรอกม่เป็นไรไมำยนี่เวลามันก็เล่น ไ, ได้คือเป้าหมายก็คือให้กินน้อย ถ้าแ น, น่จ ร, <c oughs> จริงก็กินมื้อเดียวหมดแล้วกินตอนเช้าเลย <c oughs> มันก็เหมือนกันแหละกินหนักเดียวกินตอนเช้าก่อนไปทํางานก็กินไปเลยเสร็จแล้วก็ทํางานทั้งวันเวลาเที่ยงก็ดื่มน้ําผลมาไม้หรือดื่มอะไรไปเบาๆก็ได้ไม่ต้องกินก็ได้ดื่มไม่เยอะมันก็อิ่มแน่นท้องเหมือนกันแหละไม่เชื่อลองลองดูเลย เราทั้งวันตอนนี้ไม่ได้กินอะไรก็มีแต่ดื่มน้ำเยวันละสองสามขวดเนี่ยดื่มไปเรื่อยๆมันก็ไม่หิวหรอกแต่ไม่ได้ดื่มเพื่อดับความหิวมันไม่หิวอยู่แล้วเห็นแต่วมันดื่มเพราะร่างกายมันก็ต้องการน้ำแต่เวลาเวลาเลิกใหม่ๆนะคะจอมแม่เวลาเลิกใหม่ๆถึงแปดท่ไม่ทานนะคะก็มันต้องมันต้องแบบวา ว่าเออรู้สึกใจมันจะหิวอะห้องมันไม่หิวอ่ะอย่างเดินผ่านตู้ที่เคยใส่ขนมเอาไว้นะครัคึกคับคึกครับเนี่ยอืมเปิดตีไม่เปิดตีทำใจอยู่นานไม่อยู่ไม่อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธก็ง่าะเออก็ไม่ค่อยไหวค่ะแต่ก็ผ่านมาได้อ่ะต้องตั้งใจดีๆนะใช่ ต้องแน่วแนว่าไม่กินก็ไม่กินเด็ดขาดไปเลยอ่าวมะพร้อมจะถอยแล้วยังพร้อมก็เข้ามาเซลฟี่ก่อนเซลฟี่ก่อนเอาซองไว้ในกล่องสองนี้เลยคเอาใบถวัติ่ามือถือซีดีหยิบได้นะต้องการนะซีดีไปงามเอาตรงนั้นเลยกันเข้ามาได้เลย นั่งกันนั่นงบนนี้เลยระวังนะ ซื้อซีดีก็ยิมได้นะร่างการมันซื้อซีดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงมันดัง คือคือเรานั่งภาวนามานานแนะใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้อีวิทยเวลาเราไปนั่งจอน่ะพนั่งเฉยๆเขาก็ I really want to sit here and just meditate ใช่ไหมคะ ม, ม, like when, ม, ม, ม, มัน ม, มัน it's like ม, มัน n when when when เมื่อวานมันคล้อ l o s อะอาจารย์ and then, um, แล้วเวลาถ้านั่งนานๆอย่างเงี้ยก็เหมือนกันมันอยู่ตรงเนี้ยเห็นบางคนเขาบอกว่าเขาเขาอะไรนะ อย่างภาษาอังกฤษก็หายภาษาไทยก็หายคือคือ I sat down after while I feel like this is going away I'm going away แ um, ล mm ้วก็บางทีพูดโทรก็ไม่ออกลวแล้วก็อย่างหายใจเพราะมันไม่หายใจแต่ว่า it's like I'm gonna go close right here so I don't know why I am on on on my meditation am I progressing am I am I k e e อ่ y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 In the morning and at night, when I go sit w n d e the tree, I, I feel like I just want to do this because of this feeling. So, not falling asleep, like shut, not shutting down either. But i t d I don't know. So. ก็ทำไปเรื่อยๆอย่าไปคิดให้ให้มีสติอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจไปอย่าไปคิดมันจะเป็นยังไงก็รู้วมันเป็นอย่างนั้นอย่าไปสนใจให้อยู่กับ คำ uh, mm hmm. บรินกรรมพุโทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ได้ัน <Yeah. S 1> ถ้ามันสงบแล้วมันจะโล่งมันจะเบามันจะสบายแล้วออกมาาจามันแบบสบายจริงๆ I don't want to go anywhere I don't want to see anybody อันนี้มันก็สายนสแต่ I'm curious about this feeling progressing what's going on here ่ความอยากไม่มีก็มันก็มันก็น ก, ก้าวหน้า uh. mm hmm. ก็ยังมีความอยากไปเที่ยวไปหาเพื่อนไปทำอะไรนะคทีนี้ how do you refuse your friend David called and I didn't want to go but he keep saying s you got to come ก็บอกไม่ไปแล้วอย่างนี้มีปัญหารออยู่บ้านดีกว่าเขาก็โกรธเ้าโกรธเป็นเราไปทำเราไม่ได้ไปทำให้เขาโกรธภาแล้วหลายปีแล้วเขาเกิดชีวิตใหม่เดวิดโอเค เดี๋ยวเขาก็มะมาช่วยเราเองเาจะมาช่วเราเข้าด้วยเราปฏิเสธไปไม่กี่ครั้งเดี๋ยวเขาก็เลิกเองเขาก็เพี้ยนไม่ใช่คนนี้อีกคนหนึ่งเสร็้อ้ําโย่เอเขาพูดอย่างนี้เลย and I'm quite happy to h e r it means I'm progressing อ right? uh ่ม huh. <d uration> hmm. ีอะไรไหม ไม่มีอ่าไม่มีมาจากที่ไหนกันแล้วเ <Yeah. S 2> พิ่งมาครั้งแรกเลยอืครั้งที่สองนะแล้วรู้จักที่นี่ได้ไหมเฟืงบนนะแล้วติดตามอยู่ไหมที่บ้านได้ติดตามอยู่ติดตามถ่ายทั่วส่วนท่าน อันนี้ก็ถ่ายทอดสดอยู่มีอะไรอยากจะถามไห ม, มไม่มีเดี๋ยวจะให้ทางบ้านเขาส่งข้อความเข้ามานีอะไรยังมาเลยคำถามจากผู้ปากถาม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 มันก็เลยทำให้เราสามารถตัดความสุขที่เร็วกว่าได้ที่หยาบ ก, กว่าคือความสุขจากทางตางหูจมูกลิ้นกา ย, ยมันหยาบ ก, กว่าความสุขทางใจที่ละเอียดกว่าที่ดีกว่าดั้เราต้องพยายามสร้างความสุขทางใจให้เกิดขึ้นพอเรามีความสุขทางใจเราก็จะได้ตัดความสุขทางร่างกายไปได้แต่ถ้าเรายังไม่มีความสุขทางใจเราก็จะตัดไม่ได้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 นึงใจให้มาอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปอยู่กับคําบริกรรมหรืออยู่กับการทํางานของเราก็ได้เราทำงานอะไรอยู่ก็ให้เราจดจ่ออยู่กับงานที่เราทําอย่าส่งใจไปที่อื่นอย่าไปคิดเรื่องอื่นทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้ง่ายขึ้นไปเรื่อยๆสงบได้นานมากขึ้นไปเรื่อยๆพอมีความสุขใจมากขึ้นก็จะปล่อย ความสุขทางร่างกายไปได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะเลิกหากความสุขทางร่างกายได้จะหาแต่ความสุขทางใจเพียงอย่างเดียวอย่าไปมองออระยะทางที่มันไกลมองก้าวที่เราต้องก้าวเราก้าวได้ทีละก้าวเทนั้นอย่างที่มีคำพูดของคนดังคนหนึ่งรู้สึกจะเป็นเหมาเจอตุงว่า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 ปฏิบัติแบบสุดๆเลยเพราอารมณ์ไม่มีปั๊บหายหมดเลยเอาแบบเตาทำไปตามกำลังของเราทาแต่ทำแบบไม่หยุดไม่หย่อ น, นขั้นต้นนี้เอาสติให้ได้ก่อนเอาพุทธโธให้ได้ก่อนให้อยู่กับพุทธโธไปเรื่อยๆหรืออยู่กับร่างกายไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึ่เรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้คิดให้น้อยที่สุดคิดเท่าที่จำเป็นที่จะต้องคิด แลวเวลานั่งสมาธิมันจะสงบง่ายแล้วมันจะได้ความสุขแล้วมันก็จะทําให้เราตัดความสุขทางร่างกายไปได้ทีละ เ, เล็กทีละน้อยทําไปเรื่อยๆอย่าหยุดก็แล้วกันถ้าหยุดเมื่อไหร่ก็จบเมื่อ น, นั้นพักได้ถ้าเหนื่อยบางทีท้อบ้างก็ไม่เป็นไรบอกว่าพักสักวันพักสักระยะสั้นๆพอหายท้อแล้วหายเบื่อแล้วก็เริ่มปฏิบัติต่อ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 ล้มลุกคลานไปก่อนเริ่มต้นมันก็เหมือนเด็กหัดเดินนี่แหละไม่ใช่พออยากจะเดินก็ลุกขึ้นมายืนแล้วก็เดินเลยก็ต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ล้มแล้วก็คลานคลานแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่แต่ต่อไปเดี๋ยวก็เดินได้พอเดินได้ก็วิ่งได้วิ่งได้จะทำอะไรก็ทำได้เห็นต้องมีความพยายามที่จะสร้าง ทำขึ้นมาสติรมสมาธิรมปัญญาธรมนอันนี้หละที่จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราสําเร็จได้ได้หลุดพ้นได้ได้ความสุขที่ถาวรได้อยู่ที่การทำความเพียรในธรรมเหล่านี้ด้วยศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าท่านไม่หลอกเราหรอกสิ่งที่ท่านสอนนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์จริงๆ เราไม่ต้องสงสัยทุ่มเทชีวิตจิตใจกับการสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาสราสราตัวนี้แล้วผลอันเลิศอันประเสริฐก็จะเกิดตามมาต่อไปมีอะไรไหมคำถามเจ้าคุณสติมานะครับดูภาวนาจนจิตหมุนอยู่กลางหน้าอกเล็กบ้างใหญ่บ้างหากเพียรเดินจงกรมมากๆจะเห็นชัดเจน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 อันนั้นไม่ใช่เป็นการนั่งเพื่อทําใจให้สงบเพราะฉะนั้นถ้านั่งแล้วมีอะไรอาการต่างๆของใจสแสดงออกมานิสแสดงว่าไม่มีสติกำกับใจปล่อยให้ใจแผงริดออกริดของที่มันสแสดงออกมาก็เป็นของปลอมทั้งนั้นะไม่มีพผลไม่มีประโยชน์กับใจสิ่งเดียวที่มีคุณประโยชน์กับใจก็คือความสงบแล้วมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีสติกากับใจ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 กลับไปกลับมาก็ได้อิติปิโสอลาหังสัมมาสวากขาโตสปุปัตติปโนสวดไปเรื่อยๆการสดวดมนต์นี้มันไม่รู้สึก อ, อึดอัดเพราะว่าใจ ม, มีมีที่วิ่งได้กว้างไกลขึ้นมีความคิดที่คิดถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆ์คุณถ้าให้อยู่กับพุทโธ ร, รู้สึกมันเหมือนอยู่ในที่แคบมันก็เลยรู้สึกอึดอัดก็ให้มันกว้างให้มีที่ที่เดินกว้างขึ้น ให้มันเดินไปตามบทพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณห ร, ร, ณรือ บ, บทพระสูตรธรรมจักรหรือวิปปะหรือสติปัฏฐานสี่ก็ได้ <c oughs> เราจำบทไหนได้เราสวดไปส่วนในท่านั่งสมาธินี่นั่งหลับตาแล้วก็สวดไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงมันก็จะคลายความอึดอัดได้สวดไปจนรู้สึกว่าเบาสบายแล้วเราข้อหยุดสวดแล้วก็มาดูลมหายใจต่อก็ได้หรือพุทโธต่อก็ได้ อีกวิธีหนึ่งก็ใช้การฟังเทศฟังธรรมก็ได้แต่การฟังเทศมันก็ต้องอาศัยเครื่องฟังถ้าเกิดไม่มีเครื่องฟังก็ฟังไม่ได้ก็ใช้บวชส่วนมนต์ถ้งส่วดมนต์นี่ไปอยู่ที่ไหนก็ใช้ได้ตลอดเวลาแต่ใช้การฟังเทศก็ต้องมีเครื่องโทรศัพท์มีอะไรติดตัวไปถ้าแบตหมดก็ฟังไม่ได้ดังั้นถ้าทางที่ดีถ้าไม่ต้องการพึ่งสิ่งภายนอกก็ซื้อพึ่งสิ่งภายในดีกว่านะ หัดท่องบทสวดมนต์ไว้หัดท่องพระสูตรไว้แล้วเวลานั่งสมาธิถ้ามันอึดอัดก็ท่องพระสูตรไปก่อนท่องบทสวดมนต์ไปก่อนจนกว่าใจรู้สึกเบาสบายอยากจะหยุดสวดก็ค่อยหยุดแล้วก็ทีนี้ก็ดูรวมต่อได้หรือพุดโธต่อได้ข้อที่สองหากเรามีกระดาษหรือหนังสือที่ไม่ได้ใช้เก็บไว้แล้วมันลบบ้านเช่นปฏิทินเก่าๆนิตยสารหนังสือพิมพ์ ที่มีรูปของพระพุทธรูปหรือพระที่เรานับถือเราควรจะทำอย่างไรจะทิ้งก็ไม่กล้าทิ้งกลัวเป็นบาปเป็นกรรมแต่จะเก็บก็รกบ้านมากร ก, กวนเรียนถามพระอาจ า, ารย์ค่ะก็ส่งไปที่เรือนจำการชนบุรีตอนนี้กาลังต้องการหนังสือธรรมะมากๆเรือนจำกลางชนบรุรีใช่ไหมใช่ครับอาจารย์เรือนจำการคนส่งไปเยอะดีครับช่วงนี้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 พละต่อศาสนาอาจจะเป็นปัญหาให้กับศาสนาได้เพราะคนที่บวชอายุมากนี่จะดื้อยิ่งแก่ยิ่งดื้อะอ่งเี้ยสองยากแต่ถ้าเราทำตัวให้เป็นเด็กได้บวชตัมไหลก็ได้อยู่ที่อยู่ที่เราต้องปรับตัวเองบางคนเคยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วไปบวชนี่เราต้องไปทำตัวเหมือนเด็กนี่เขาทำใจไม่ได้ ก็เลยทำให้เป็นปัญหากันเพราะการบวชนี้ก็ถือว่าเป็นการเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่เคยเป็นอะไรมาทางโลกนี้เขาว่าให้ลืมไปให้หมดมาเริ่มต้นเป็นพระบวชใหม่เป็นพระนาวกกะถ้าเป็นลูกก็เป็นลูกคนสุดท้องลูกเพิ่งเกิดใหม่เราต้องทําตัวให้เป็นเด็กเป็นผู้น้อยถ้าทําได้ก็ไม่มีปัญหา คำถามจากคุณนุนะครับผู้หญิงไม่สามารถบวชได้เหมือนผู้ชายในชาติที่เป็นผู้หญิงถ้าปฏิบัติเต็มที่แล้วสามารถประรุธรรมได้สูงสุดชั้นไหนครับถ้าจะได้ชั้นอรหันต์จเป็นต้องเป็นชายและบวชในพุทธศาสนาหรือเปล่าครับไม่ต้องขอให้มีมรรคแปดมีศีลสมาธิปัญญาจะเป็นชนชาติไหนอยู่าศาสนาใดาก็ตามถ้าเกิดเข้าไปพกศีลสมาธิปัญญา เขาก็บรรลุเป็นพระอาหารหัได้ปัญญาก็คืออริยสัจสี่อันนี้จังทุกขังอนัตตาอสุภานี่เรียกว่าปัญญาไม่ต้องไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นศาสนาไหนก็มีคนถามพระพุธเจ้าตอนใกล้วารละที่พระ อ, องค์จะเสด็จ ด, ดับขันธปรณิพานก็มีชายคนหนึ่งอยากจะขอกับถามปัญหาพระพระธเจ้า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 พระพุทธเจ้าบอกว่าคําสอนนายกของใครก็ได้ขอให้มีมรรคที่เป็นองค์8ปดมรรคที่เป็นองค์8ก็คือศีนสมาธิปัญญาปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปะความเห็นชอบความคิดชอบสัมมาส ม, มากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาชีวก็เป็นเรื่องของศีน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 คำถามจาคุณชมพูนุชนะครับเวลานั่งสมาธิจำเป็นไหมคะที่จะต้องมีฐานจิตจำเป็นต้องมีสตินั่งสมาธิต้องมีสติจะมีเป็นพุทโธก็ได้จะเป็นลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือเป็นอะไรอย่างอื่นก็ได้มีต้องสี่สิบอย่างาก็เรียกว่ากรรมฐานสี่สิบต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งะจะดูโครงกระดูกก็ได้เพ่งโครงกระดูกก็ได้จะนึกถึงความตายก็ได้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 กะโลงโดยกันถ้าไม่ร่วมสักอย่างมันไม่เดือดร้อนะ <c oughs> เขาเอาไปได้ก็ เ, เอาไปเราก็หากินของเราไปตามตามมีตามเกิดของเราอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังตอนตอนน้นว่ให้มีมากน้อยสันโดษแล้วจะไม่มีปัญหากับเรื่องราวเหล่านี้ใครจะโกงใครจะใช้เล่เททุบายอะไรต่างๆก็เรื่องของเขาเราไม่เอาแบบเขาเพราะเรารู้ว่ามันเป็นการไปหาความทุกข หาความเครียดกันเราหาแบบสบายสบายตามมีตามเกิดดีกว่าเอาน้อยๆอยไม่ต้องไปมีมากเอาพออยู่ได้ก็พอเอาความสุขจากการมานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมกันดีกว่าคำถามจากคุณมงคล น, นะครับในขณะขับรถตาคอยมองสิ่งที่อยู่ข้างหน้าหูคอยฟังเสียงมือถือพวงมาลายัยเท้าคอยเหยียบเบรกบเอิญมีคนวิ่งตัดหน้ากริยา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 ยังไม่มีัายังไม่มีม า, าถานี้ก่อนใครอยากจะถามชอบกินข้าเส้นอย่ามาประจานกันนี่มาลดกันเนยอะมกถึงก็กลับคนละคันเลยครับคาถามมาแล้วนะครับจะคุณปรับพักนะครับมีสำนักสงฆ์อยู่บางสำนักสอนเรื่องการนิทานระหว่างวัน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 เราจะเรียกว่าเป็นนิพพานเถียมก็ได้นิพพานชั่วคราวส่วนนิพพานแท้นี่ก็มี2รูปแบบคือนิพพานแล้วยังมีชีวิตอยู่กับนิพพานแล้วไม่มีชีวิตอยู่พระพุทธเจ้าเป็นทั้งสองอย่างในวันเพ็ญเดือน6ตอนที่ท่านนั่งอยู่ใต้โคนต้นโพแล้วท่านตัดสัตว์ท่านกระชัมละจิตใจของท่านให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจา ก, ากความโลภความโกรธความหลงแล้วใจของท่านเข้าไปเป็นนิพพานแล้ว แต่ร่างกายท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วก็อยู่ต่อไปสี่สิบห้าปีอันนี้ก็ร่างนี่คือนิพพานขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วพอร่างกายตายไปปับ๊บก็ยังตอนจิตก็ยังนิพพานต่อไปจนถึงปัจจุบันนี้จิตของมุตเจ้าก็ยังนิพพานอยู่เหมือนเดิมไม่มีวันสิ้นสุดอมะตะมีคนนิพพานสองชนิดมีาภาษาพระท่านเรียกอะไรน ะ, ะอะไร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 อาจารย์ครับคือผมรู้จักคนอยู่คนหนึ่งครับแล้วเขาเขาเป็นคนที่ดีครับแต่ว่าเวลาเขาไปตามวัดเนี่ยเขามักจะเอาพวกลูกแก้วหรือไปถวายวัดผมอยากรู้ว่ามันเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาบ้างครับก็เป็นความเชื่อของเขาน่นเองว่าถวายลูกแก้วแล้วจะได้อะไรของเขานี่ยดานาจิตตังดานาทัศนะแต่จริงๆไม่มีประโยชน์และไม่มีบุญอะไรขึ้นมาใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าไปวัดก็ควรจะถวายปัจจัยสี่ให้กับวัดเนี่ย พระพระต้องใช้ปัจจัยสี่ไม่รู้จะเอาแก้วไปทําอะไร <c oughs> ตอนจริงพระพุทธรูปนี้ไม่ควรจะไปถวายวัดจะได้สซ้าำไป <c oughs> คนจะเก็บไว้ที่บ้านไหว้กัน <c oughs> เอาไปถวายพระพระนี่มีมีพระเต็มวัดไปหมดเลย <c oughs> จนกลายเป็นกองขยะไป <c oughs> ไม่รู้จะไปทําอะไรพระพระพุทธรูปมีมีไว้องค์เดียวก็พอ <c oughs> ไว้สําหรับแล้วนึกถึงพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์ ีคนไปสอนว่า อ, อถวายพระเราจะได้บุ ญ, ญบยะะเยอะมิ้นเราไปถวายก่อนถวายพระเราจะได้เสด็จเคาะอะไรต่างๆก็เลยถวายก่อนตอนก่อนบิณุบาตเนี่ยมีคนถวายพระที่เป็นอะไรนะเป็นทองทองเหลืองเนี่ยองค์ใหญ่ๆประมาณสักสองต้องห้าหกองขณะบิถุบารับกันไม่หวนไม่หว <c oughs> ก็ดีอย่างพอจะขึ้นรถมีญาติโยมมานั่งไหวก็เลยแจก พาไปเลยเสียพระญากโยมาไปเอาไปกราบบูชากันไม่เรียบทองไม่นี่เป็นพระพุทธรูปตั้งโต๊ะตรงขนาดหน้าศอกเนี่ยประมาณศอกหนึ่งเขามีความเชื่อกันนะคงมีคนสอนว่าถวายพระแล้วชีวิตจ ะ, จะเจริญนุ่งเรืองก้าวหน้าหรืออะไรก็เชื่อกันไป คามจริงถวายของนี่ต้องดูความจําเป็นถึงจะเหมาะสมกว่าว่าพระท่านขาดแกลนอะไรถวายในสิ่งที่ขาดแกลนมันจะได้เป็นประโยชน์ของที่มันมีเหลือเฟือแล้วก็อยากไปถวายอย่างอย่างนี้ถ้าถวายเหมือนลูกแก้วเนี่ยเป็นในเชิงพุทธานุสติไหมครับอาจารย์หรือว่าไม่ไมก็แล้วแต่เขาจะคิดยังไงก็คิดได้ดังนั้นอาจจะคิดว่าเป็นแกเป็นการถวายเพชรเนินจินดานก็ได้เปลือชาติหน้า จะได้มีมเพ น, นินจินดาอะไรมาให้อะไรให้ของเทียมยังไม่ได้ของของแท้คืนได้งไง <c oughs> ให้ของเทียมชาแนลมันก็ได้ของเทียมแล <c oughs> ต้องให้ของแท้เ <c oughs> ต้องให้ของแท้เลย <c oughs> ไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วไม่มีก็ดีจะได้จะได้จะได้ยุติการประชุมกันนะ อาเมจะขอคําแนะนํำชี้แนะเรื่องการรักษาสินค้าค่ะสมมุติว่าอย่างเราเรารักษาเราตั้งมั่นว่าจะรักษาสินค้าแต่ในภารกิจเราจะเร็นต้องมีการมุ่งสหาอะไรเนี้ยค่ะเราต้องชะเองก็รักษาสินสี่ไปก่อนสิถ้ารว่ไม่รักษาสินห้าต้องไปรักษาทําไมต้องให้รั่วเรารักษาได้เราถึงรักษาถ้าเรายังรักษาไม่ได้เราก็รักษาแค่สินสี่ก่อน เราพยายามที่จะหาหาวิธีรักษาศิ่ข้อที่ห้านี้ให้ได้ความจริงมันก็ไม่ยากถ้าเราไม่พูดเสีอย่างมันก็รักษาได้แล้วนี่ที่เราอดพูดไม่ได้เพราะว่าเรายัางมีความลักความชังอยู่บางทีถ้าพูดความจริงแล้วกลัวเขาจะโกรธเรา mm. เกลียดเรานี้เราก็เลยต้องพูดความไม่จริงเราอย่าไปกังวลกับเรื่องของคนอื่นดีกว่ากังวลเรื่องของเราดีกว่า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 แต่ถ้าเราไม่เสียดายเพื่อนไม่เสียดายของเราเสียดายความเป็นมนุษย์ของเราเราไม่อยากเป็นเลราชานเราก็อยากพูดโกหกเราไม่ต้องพูดอะไรเลยเขาถามอะไรเราก็เฉยแค่ก็บอกเรื่องก็บอกว่าวันนี้สบายดีฝนฟ้าอากาศแจ่มใสดีก็ดีเมี้ยงพูดไปไม่ต้องไปพูดเรื่องที่เขาถามก็จบเนี่ยังไม่ต้องพูดเลยเพงแต่วันนี้สายเรามันติด อ๋อใครถามปุ๊บนี่ต้องโกหกปั๊บเลยไปไหนเปล่าเนี่ยก็กำลังไปถามว่าเปล่าเลยอาจารย์ครับอย่างนี้แสดงว่าเป็นปวิชาชีพไหมครับแค่ต้องโกหกขนาดเนี้ครับเป็นผิดจริงไงเป็นบาปไหมแต่อาจจะไม่ใช่วิชาอาชีพใช่ไหมครับไม่ก็วิชาอาชีพเป็นเรื่องการทำอาชีพที่ทําให้ผู้อื่นครับพอวอิช า, าชีพก็อาจจะเป็นวิฉ า, าชีพมีสองแบบ